ก็คงจะเจ็บเก็บคันคันกันไปหลายตัวทีเดียวละ่ะชายันพูดเสียงต่ำๆแล้วหัวเราะอย่างทุเรศในอำนาจของ M79 มันให้ผลเหมือนกันแต่ก็ไม่สู้จะมากนักและที่นำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าจะนำมารวมรันกษัตริย์ใหญ่หนังหนาเพียงแต่เตรียมไว้ต่อสู้กับบุคคลหรือกองกำลังฝ่ายตรงข้ามถ้าจะมีเท่านั้นกับใช้เป็นเครื่องยิงทาเสียงให้ระเบิดสนั่นวันไหว เป็นการขับไล่ข่มขวัญกันซะมากกว่าแต่มันก็ไม่เลวนักเรานะใช่ยันเพราะอย่างน้อยก็ยังช่วยไล่ให้มันเพ่นกระจายออกไปได้ทั้งขลุงเชิถาว่าและจับแขนน้องสาวไว้เนี่ยเห็นหรือยังว่ามันมาแอบเงียบชุมนุมกันอยู่ตรงเนี้ยห่างกันแค่ไม่เกินสี่สิบเมตรเท่านั้นกระตำแหน่งที่น้อยยืนอยู่ตรงหินก้อนนั้นถ้าน้อยเดินลงมาถึงที่นี่ มันก็มีอยู่แค่สองในยะเท่านั้นคือถ้าไม่ขยี้น้อยเหลวเหลวแหลกหาชิ้นส่วนไม่ได้ไอ้มันไรก็คงจเจ้าตัวน้อยไปแล้วประโยคหลังอดีตท่านทูตทหารบกกล่าวมาเหมือนจะอ่านเหตุการณ์ทำนายใจของหลอนถูกดาริงยอบลอบยักษไหลนิดนึงคิดต่อพี่ชายอยู่ในใจว่าไม่มีวันใช่รึที่หลอนจะหลงกลเดินลงมาจนถึงที่นี่ มีก็แต่จะล่อให้ไอิมันไรเป็นฝ่ายขึ้นไปหาหล่อนเองซะมากกว่าแล้วในระหว่างการต่อรองกันอันหล่อนเชื่อว่าน่าจะล่อมันได้นั้นอนุชากระชยยันก็เปิดฉากการยิงขึ้นซะก่อนแต่หล่อนไม่สามารถที่จะอธิบายให้บุคคลเหล่านั้นเข้าใจได้ท่องแท้หล่อนจะบอกได้เหรอว่าไอ้ผีร้ายกล่าวอ้างไปถึงอดีตชาติของหล่อนว่าหล่อนน่ะคือจิตรางขะนาง ที่เคยสร้างกรรมเป็นหนี้กันอยู่จะบอกได้เหรอวรพินไพรวันในชาติพบเดียวกันครั้งกระโ น, น้นคือกษัตริย์อักคณีรุษตลอดจนเงื่อนงําที่แฝงซ่อนอยู่สลับซับซ้อนและในขณะที่หล่อนเดินลงมานั้นก็เพราะได้ยินเสียงเรียกของมันแววเข้ามาทางกระแสะจิตหากหล่อนยอมบอกความจริงที่หล่อนรับรู้อยู่คนเดียวให้แก่พักพวกฟังพวกนั้นก็จะยิ่งเห็นว่าหล่อนเสียสติ บ้าบอขอแตกเข้าไปใหญ่จึงสู้เจ็บงําไว้เพียงคนเดียวหล่อนคิดว่าให้ความจริงทั้งหลายค่อยๆ ค, คลี่คลายตัวของมันออกไปเองตามการเวลาดีกว่าทําแม้ว่าการเวลานั้นยังจะพอเหลืออยู่สําหรับหล่อนอีกบ้างโดยไม่แตกดับสูญหายตายจากกลุ่มพวกพ้องไปซะก่อนตรวจสถานที่ร่องรอยพอให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร อีกเพียงครู่เดียวนานอินก็นำออกเดินทางตัดทางเลาะลัดไปตามพุ่มพงละเมาะไม้เรียบตีนเนินนั้นทันทีระหว่างทางมองไม่เห็นวี่แวววคณะของระพินจะตัดมาทางด้านนี้และเมื่ออนุชาทวงขึ้นแกก็บอกว่าทางมันใกล้อีกแค่นี้เองเราไม่ต้องเดินทับรอยนายระพินกับพวกนั้นไปหรอก รู้แน่ว่าจะต้องมุ่งไปที่ห่วยเสือร้องอยู่แล้วให้นานอินพาลัดทางไปดีกว่าจะได้ล่นเวลาเข้าไปอีกทุกคนไม่มีใครคัดขานตามเหตุผลของแกถูกแนละ้วเส้นทางระยะสั้นจากยอดศักดำไปยังหัวเสือร้องแค่นี้เองไม่จาเป็นจะต้องเดินทับรอยของรพินไปให้เสียเวลาถ้าหากว่าจะมีทางไปที่ลัดย่นทั้งเวลา และระยะทางได้มากกว่าเชฐอกากำชับทั้งอนุชาและหนานอินให้พยายามหาทางเดินในภูมิประเทศที่พอจะสังเกตเห็นอะไรรอบตัวได้ง่ายๆป้องกันการโจมตีหรือภายในรูปแบบอื่นๆอันคาดคิดไปไม่ถึงอันจะจู่โจมเข้าถึงตัวโดยกระทันหันชนิดป้องกันไว้ไม่ทันทั้งคู่รับคำโดยไปเดินนำเลาะลัดอยู่เบื้องหน้า สำหรับดารินนั้นถูกทำโทษชั่วคราวโดยการบังคับให้เดินไปพร้อมกับพี่ชายใหญ่และชายันไม่ให้ไปเดินอยู่เบื้องหน้าหรือฉีกทางค้นหาร่องรอยไปทางอื่นอีกแล้วซึ่งหล่อนก็ปฏิบัติตามโดยดีหนทางเดินอยู่บนซอกเขาสูงสูงต่ำต่ำระหว่างซุ้มรกและไม้ใหญ่ที่ขึ้นปะบนกันอยู่ ลำแสงของตะ ว, วันเพิ่งจะทอดจับหมูเมฆบนท้องฟ้าเท่านั้นขณะที่เริ่มการออกเดินทางอย่างแท้จริงนับเป็นการเดินกันเช้าตรู่ที่สุดนับแต่ออกเดินทางมานั้นอินนั้นมีสีหน้าแปลกๆชะโงนใจอยู่ตลอดเวลาขณะที่แกนำตัดทางไปนั้นอนุชาอ่านออกมองตามด้วยสายตาแกก็กระซิบบอกว่า นายรพินเลือกทางเดินจากยอดศักดิ์ำไปห้วยเสือร้องแปลกมากแกรู้เส้นทางดีอยู่แล้วว่าน่าจะเลือกทางเดินไปในเส้นทางเดียวกันนันอินที่นำอยู่นี่แหละแต่แกกลับเดินอ้อมไปเส้นทางอื่น ก, การเดินทางแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นการเดินของนายรพินเลยอะพูดได้ชัดๆใช่ลุงอินมันหมายความว่ายังไง กรารครูผู้เฒ่าอึ้งไปครู่สายตาที่แก่ชราซะจนกลับมาเป็นสายตาของคนหวัยหนุ่มอีกครั้งเพราะการเวลามองสำรวจไปรอบๆ อ, อย่างคมวัยกบแปลว่าน่าสงสัยไงน่าสงสัยว่ากระบวนของพวกที่ไปยังห้วยเสือร้องไม่น่าจะนำทางโดยนายรพินนะสิ แต่อาจจะแยกไปทางไหนซะก่อนชั่วคราวแล้วปล่อยให้ไอ้พรานสี่ตัวนำคณะเจ้านายเดินไปเองก็ได้คงนัดแน่มีจุดนัดพบกันที่ห่วยเสือรองทีหลังท่านนายรพินนำเองอะต้องนำมาทางนี้แน่อะแล้วลุงวาราพิน์จะแยกไปทางไหนอะใครจะรู้ละ่ะในชด แกตอบสั้นๆทางนี้นี่มันเสียงเดินลำบากกว่าลมะมั้งเป็นไปได้ไหมลูกโอไหนชดทางไหนๆมันก็ลำบากแล้วก็เสียงพอๆกันทั้งนั้นแหละคนคมวัยในเรื่องเส้นทางในป่าแล้วอ่านเหตุการณ์ได้แม่นยำราวกตาเห็นนอกจากตัวระพินเองแล้วเท่าที่อนุชาวราริจจะรู้จักได้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 มันน่าจะเป็นศาสต ร, ร์ลี้ลับชนิดหนึ่งซึ่งตัวเขาเองไม่จะบุก ป, ป่าฝ่าโดงมากกนันอินเป็นเวลานานก็ยังไม่ล่วงเข้าไปถึงขั้นนั้นได้รหัสหรือร่องรอยชี้เหตุในป่ามันเป็นศาสต ร, ร์ที่เร้นลึกนะักระยะเวลาของชั่วโมงบินเท่านั้นที่จะทำให้ล่วงรู้ได้อนุชาเองก็ไม่เจ็ดคนพูดมากเหมือนกันเพราะฉะนั้น การตั้งข้อสังเกตข้อนี้ของนานอินที่หารือกันเองเงียบๆโดยเฉพาะจึงไม่ได้ล่วงรู้ไปถึงเชฐาดารินและชยันเพราะเห็นว่ายังไม่จําเป็นเอาไว้ให้ถึงห้วยเสือรองซะก่อนและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกระจางแจ้งออกมาเองรวมทั้งข้อสงสัยของนานอินด้วยที่ว่าการเคลื่อนขบวน ล, ลงจากยอดศักดิ์ำของฝ่ายนายจ้างอเมริกันนั้นรับพินเป็นผู้นําทางไป หรือว่าให้คนอื่นนำแล้วตนเองแยกไปไหนในเวลาระหว่างนั้นไม่มีเสียงกระดึงจากเจ้าด้วนแววมาให้ได้ยินไม่มีร่องรอยว่ามันจะเดินตามมาหรือเดินนำล่วงหน้าไปในเส้นทางเดียวกันแต่ดารินวราริิ์เคยชินกับสัญชาตญาณของช้างป่าผู้เป็นมิตรสนิทของหล่อนตัวนั้นได้ดีแล้ว แม้จะคอยเป็นห่วงกังวลอยู่ในใจแต่หลอนก็ไม่ได้ปรีปากพูดบ่นอะไรออกมามันคงจะแยกทางไปหากินหรือไปตามธรรมชาติวิสัยจาเป็นของมันเองแต่ก็เชื่อมั่นว่าไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องปรากฏตัวให้เห็นอีกจนได้ไม่ว่าจะเคลื่อนกันไปที่ไหนเรื่องจะพลัดหลงหรือหายไปเลยย่อมเป็นไปไม่ได้สาหรับเจ้าด้วนคู่บารมีของหลอน เว้นแต่ประการเดียวคือมันไปประสบเคราะห์วิบัติถึงแก่บาดเจ็บจนเดินไม่ไหวหรือล้มตายลงเสียก่อนเท่านั้น120ทุกคนของฝ่ายคณะเดินทางค้นหาตำแหน่งตกของบี52ตื่นขึ้นมาในเช้า ว, วันนี้ด้วยบรรยากาศที่ตึงเครียดคอแห้งผากเป็นผงเพราะขาดน้ำและหมดสเสบียง เหนือยอดทางด้านซ้ายของภูเขารูปนกอินทรีนั้นเพื่อเป็นการลดน้ำหนักในการแบกหามและพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นความตายร่วมกันโดยไม่มีกำหนดขีดขั้นว่าใครจะเป็นฝ่ายลูกจ้างหรือนหนจ้ะดอกเตอร์สแตนลีย์สั่งให้เอาเครื่องเรชั่นของพวกตนเท่าที่เหลืออยู่เพียงจํากัดแจกจ่ายไปยังบรรดาพวกพรานและลูกหาบพอประทังชีวิตในทันที พร้อมทั้งให้ตรวจเพื่อแจ ก, กน้ำเคมีอันสกัดเป็นเม็ดไว้อย่างเป็นทางการประจำตัวไว้ทุกคนหากว่าเมื่อบ่ายวันวันนี้ยังไม่มีใครที่ยังไม่ได้รับกันทั่วถึงระพินผู้ตื่นเป็นคนแรกและลงไปสำรวจที่โคลนตามลำพังเพิ่งจะกลับขึ้นมาได้รับรายงานจากคนของเขาว่าพวกนายห้างสั่งให้แจ ก, กสเบียงเขาก็ตรงเข้าไปทันที พวกเรชนะผมคิดว่าเก็บไว้สําหรับพวกคุณจะดีกว่าละมั้งครับอดอาหารเพียงมื้อเดียวของฝ่ายผมนะ่นมันไม่เป็นไรหรอกเรากะกันไว้ว่าไงไงวันนี้ก็จะต้องหาเนื้อสดแล้หาอาหารจากเส้นทางเดินให้ได้มัสําคัญแค่ตัวยาเคมีที่จะช่วยบรรเทาความกระหายน้ําเท่านั้นแหละพวกนี้นะอดอาหารได้ทนกว่าการอดน้ําอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วๆไปแล้วล่ะครับ อเมริกันอาวุโสบกมือพร้อมกันก็โยนซุปกับเนื้อกระป๋องมาให้เขาระพินจําเป็นต้องช่วยรับไว้ก่อนจะตกดินอ่ะเอาส่วนของคุณไประพินทุกคนมีความจําเป็นเท่ า, ทากันทั้งนั้นแหละถ้าพวกนั้นยังไม่อดพวกนั้นก็ยังไม่อดถ้าพวกเรายังไม่อดพวกนั้นก็ยังไม่อดมีอยู่แค่ไหนก็แบ่งกันไปตามส่วนสัตว์แค่นั้น อย่างน้อยต่อให้ไม่ได้อาหารมาเพิ่มเติมเลยพวกเราทั้งหมดจะประทังตายไปได้ไม่ต่ำกว่าอีก4ี่สิบชั่วโมงพวกเขานนาแบกสเสบียงกระป๋องพวกนี้กันหนักมาตลอดแล้วเฉพาะเพื่อกระเพาะของพวกเราเท่านั้นเหรอต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่จะใช้ประโยชน์จากมันบ้างในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะหมดนี่แหละสเตลลีพูดอย่างอารมณ์ดีซ่อนแววกังวลไวอ ย, อย่างมิชิด บัดนี้ทั้งกลุ่มของฝ่ายนายจ้างเข้ามารวมตัวกันอยู่พร้อมแล้วรวมทั้งเบลซึ่งไปขออาศัยนอนอยู่กับฝ่ายเขาด้วยเมื่อคืนนี้หล่อนกำลังมีภารายุ่งอยู่กับการเก็บของร่วมกับคริสตินา่าและดูจะซุบซิบ ส, บสนทนากันเองดีเหมือนกันไม่มีวี่แววว่าจะบาดหมางขุนเคืองกินในอะไรกันทั้งสิ้นส่วนคีตกาลังหน้านิวคิ้วขมวดอยู่กับเครื่องรับส่งวิทยุเครื่องใหญ่ ที่ใช้ติดต่อกับศูนย์ควบคุมปฏิบัติการเฉพาะกิจสังเกตดูอาการไม่สบายใจเห็นชัดสะบดอู้อี้กระแทกทุบเครื่องมืออันความจริงก็สร้างโดยเทคโนโลยีที่จเจริญก้าวหน้าขีดสุดของมนุษยชาติอยู่เสียงปึงปังปึงปังพรานใหญ่รู้ได้ในทันทีว่าวิทยุเครื่องนั้นเริ่มรวนทางานไม่ได้ผลสมเจตนาซะและ้วซึ่งมันเริ่มเกิดขึ้นทีและบ่อยขึ้นทุกที นับเวลาที่ห่างจากจุดเริ่มต้นออกมาเชิดบุตรกําลังช่วยเปิดโน่นปิดนี่ด้วยคนนะทั้งๆที่ครั้งแรกๆนั้นฝ่ายไทยทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใกล้เครื่องรับวิทยุเครื่องนั้นเลยเมื่อพระพินมองไปทางด้านนั้นพบกับสายตาเชิดบุตรซึ่งมือช่วยคิดแต่ตานามองมาสบตาเขาเหมือนจะคอยอยู่แล้วนายทหารหนุ่มธรรมการเบ้ปากนิดนึง เชิงบอกให้ทราบว่าไอวิทยุชั้นดีที่คุยว่าสามารถรับส่งจนถึงดาวเทียมหรือโลกอื่นได้ถ้าโลกนั้นนั้นมีคลื่นวิทยุรับส่งตอบได้บัตรนี้มันกลายเป็นของเด็กเล่นไปซะแล้วโคตรเตี้ยมถ้าได้ยินก็ตอบลงมาสิโว้ยเรียกอยู่ตั้งสิบกว่านาทีแล้วเขาได้ยินเสียงคิดพุษธสวาาออกมาในทานองนั้น ถ่าทางนายพันเอกผู้เชี่ยวชาญทางเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสื่อสารโทรค ม, มนาคมแห่ง US Army เป็นเดือดเป็นแค้นยิ่งนักที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆแวววมาจากลำโพงของวิทยุเครื่องนั้นเลยแม้แต่คลื่น อ, อากาศสักครู่มันก็เงียบหายไปเฉยๆเป็นเปล่าสะทั้งที่สัญญาณไฟทุกดวงและจุดตรวจสอบทุกจุดบอกชัดว่าเครื่องยังอยู่ในภาวะทางานได้ปกติ ไม่เห็นว่าจะมีอะไรชำรุดสึกหรอไปเลยรพินยืนมองดูอยู่เงียบๆไม่เอ่ยอะไรสเตลีบอกมาด้วยเสียงหัวเราะเรื่อยๆของเขาว่าไม่มีเสียงติกต่อลงมาเลยแล้วคีตก็พยายามเป็นฝ่ายติกตอบแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับมันผิดกับเมื่อวานแม้จะไม่ชัดนักแต่ก็ยังพอฟังได้บ้าง สงสัยว่าคณะของเราจะขาดลอยจะหอควบคุมใช่ไหลัะคุณนี่ถ้าอีก24ชั่วโมงข้างหน้าเรายังติดต่อก็หอควบคุมไม่ได้ก็แปลว่าฝ่ายเราขาดลอยและอยู่ในภาวะแทงบัญชีจำหน่ายศูนย์จากรัฐบาลสหรัฐแล้วละ่ะคิดบอกออกมาอย่างเผอตัวเดี๋ยวนี้เหตุการณ์จำเป็นบีบคั้นต่างๆมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของฝ่ายนั้น ซึ่งตามปกติถือเป็นความลับสุดยอดเริ่มจะค่อยๆเปิดเผย อ, ออกมาระพินไพร์วันซ่อนยิ้มอยู่ภายใต้สีหน้าขรึมสงบปกติของเขานึกอยู่ในใจว่าอันว่าเครื่องมือเครื่องไม้วิทยาศาสตร์ของพวกนายที่คุยโอกันนะักก็มันสุดแสนจะวิเศษมันจะไปได้สักกี่น้ำ ในดินแดนมหัศจรรย์นอกเหนือการสำรวจพบแหล่งนี้แต่เครื่องมือของพวกนายมันวิเศษจริงเหนือกว่าสิ่งอาถรรพ์ที่นี่ที่มันเหนือโลกพวกนายก็คงไม่ต้องมาเคี่ยวเข็นว่าจ้างเชิงบังคับให้ฉันต้องนำทางในครั้งนี้หรอกนี่ก็แปลว่าเบื้องสูงของฝ่ายนายทุกคนก็คำนึงถึงหลักเกณฑ์ในข้อนี้อยู่แล้วเหมือนกันจึงตกลงใจค้นหาทางภาค พ, พื้นดิน แทนที่จะค้นหาทางอากาศยานแต่เขาก็ไม่พูดออกมาได้แต่นึกยิ้มหยันมีคำสั่งหรือข้อแนะนำอะไรกันไว้ก่อนหรือไม่ครับไม่ล่ะครับก่อนที่พวกคุณจะมาปฏิบัติการในครั้งนี้ผมหมายถึงว่าถ้าวิทยุเครื่องนั้นอันจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดระหว่างพวกคุณกะหอควบคุมเกิดขัดข้ อ, ของใช้งานไม่ได้ขึ้นมา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 ตโนมัติก็ไม่มีคำสั่งหรือข้อนัดในอะไรเป็นพิเศษในเรื่องนี้หรอกคุณทั้งด้านหน่วยเหนือของเราเขาไม่เคยคิดว่าเครื่องมือใดๆของเรามันจะเกิดชำรุดขึ้นเพราะอุปกรณ์การแก้ไขอะไรทุกชนิดก็มีเตรียมสำรองมาพร้อมอยู่แล้วผู้ตอบคือด็อกเตอร์สแตนลีย์หัวหน้าคณะเองได้ตรวจสอบดูแน่นอนแล้วเหรอคุณแอนคิด จากการขนย้ายอาจจะมีการกระทบกระเทือนทำให้อุปกรณ์สำคัญบางชนิดมันเสียหายชำรุดไปถ้าค้นให้ละเอียดคุณก็อาจาจะพบได้แล้วก็ซ่อมหรือเปลี่ยนซะมันก็น่าจะใช้การได้ตามเดิมนี่คุณระพินแสดงความหินใจอย่างเต็มที่ซึ่งก็ไม่ได้เสียแซงอะไรในคิดโครงหัวดิกเฮ้ยแทบจะแกะถอดมาเป็นทีละชิะ้นแล้ว เครื่องมือตรวจสอบก็มีนี่ไงนายนั่นกระชากเสียงพร้อมทั้งชูเครื่องตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ดูทุกส่วนของมันอะ่ะแม้แต่ตัวไมโครทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กกว่าหนวดกุ้งก็ไม่มีตัวไหนแสดงอาการชำรุดเลยแต่มันก็ไม่ทำ ง, งานวะ่ะแต่ตรงข้ามวิทยุมือถือแต่ละเครื่องของพวกเราเนี่ยดันเสือกใช้ติดต่อกันเองได้อยู่ นั่นมันเป็นเรื่องแปลกมหัศจันท์ที่แสดงอาการขัดแย้งชัดระพินทดลองเอาเครื่องของเขาที่ได้รับมอบไว้และขณะนี้ส่วนมากก็เน็บติดเอวอยู่ตลอดเวลาออกมากดคีย์เสียงสัญญาณกดคีย์ของเขาแหววดังโครกครา่าเข้าไปยังเครื่องอื่นๆของพรรคพวกซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, กันทุกคนสุดแต่ว่าใครจะเปิดไว้เขาเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่ง กล่าวเป็นเชิงสัพ ย, ยอกว่าทั้งนั้นก็น่าจะแสดงว่าพระเจ้ายังให้พวกเราสามารถติดต่อใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแต่ท่านตัดเฉพาะพวกคุณออกจากโลกภายนอกริจักความควบคุมของหอบังคับการเชิญลมะม <Okay. S 1> ั้งตลกคลาสติกที่พวกเราขันกันไม่ออกนะคุณคริสติน่าเอ่ยแทกขึ้นมาลอยๆสะบัดหน้าจากขี่พ่อสัมภาระ จนเส้นผมงามปลิวกระจายกลับมามองหน้าเขาจอมพรานหัวร่อเฮ่ในลําคอแต่ผมว่าเป็นเรียนลิสติกใชมากกว่าหรือบางทีก็คล้าวไปการโรแมนติกด้วยทุกท่านบอกกับผม <c oughs> ได้ไหมครับว่าถ้าปราศจากวิทยุติดต่อกระหอควบคุมของพวกคุณเครื่องนั้นแล้วการเดินทางจะมีอุปสรรคอะไรขัดข้องไหมทุกคนนิ่งเงียบกันไปหมด ภายหลังการไตร่ตรองหนักอยู่ครู่อเมริกันอาวุโสก็กล่าวขรึมขึมขึ้นว่าวิทยุเครื่องนี้เนี่เราอ่านความรู้สึกของคุณออกมาแต่แรกแล้วไพวันว่าคุณไม่สู้จะพอใจนักเพราะมันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะรายงานผลติดต่อกับฝ่ายเราเองได้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะนําเคลื่อนย้ายไปที่ไหน และถ้าจำเป็นก็อาจเรียกกำลังบำรงุงกำลังช่วยเหลือให้ส่งมาช่วยได้ทันกาลและถ้าหากพวกเรามีแผนการสกรปรกอะไรกับฝ่ายคุณภัยอันตรายมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับฝ่ายคุณได้เพราะคล้ายๆกับว่าเรามีกำลังที่เหนือกว่าพร้อมอยู่ในมือตลอดเวลานี่เราพูดเรื่องความจริงกันก่อนถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอคุณต้องยอมรับในข้อนี้ถูกต้องไหม ระพินก็ไม่คิดเหมือนกันวัาสตาลีจะพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ทำเอาเ้งงางันไปเหมือนกันแล้วก็พยักหน้ารับครับถูกต้องครับมันเป็นสิทธิ์ที่ผมควรจะหวาดระแวงได้ไม่ใช่เหรอครับเมื่อผมทำงานกับพวก CIA ในแผนงานใหญ่และรับสุดยอดชนิดนี้แต่พวกคุณก็ย่อมจะเห็นอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าผมน่ไม่ได้มีแผนการที่จะกลั่นแกล้ง หรือทำลายเครื่องมือติดต่อของพวกคุณให้สิ้นสภาพไปเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองอย่างที่พวกคุณก็เห็นอยู่ทุกระยะแล้วนี่เขาก็พูดตรงๆเช่นกันใช่เรื่องนี้เรารับทราบแล้วก็ยังนึกคาระวะในน้ำใจลูกผู้ชายอีกส่วนหนึ่งของคุณโดยเฉพาะในด้านนี้อยู่ตลอดเวลาสเตลลี y พูดนี่ยังแมน ในบรรดาความจริงใจทั้งหมดที่เรามีต่อกันมาแล้วก็ขอให้มีความจริงใจอีกชนิดหนึ่งมาเปิดเผยกันอย่างให้หมดเปลือกหมดเงื่อนงันทัทีฝ่ายผมก็จะได้สบายใจเท่าๆกับที่ฝ่ายคุณก็จะได้สบายใจเหมือนกันขอเวลาสักสองสามนาทีได้ไหมได้ครับว่าไปเลยดรตอร์รพินย่อนกายลงนั่งบนแง่หินเตียเต้ยๆเบื้องหน้าของกลุ่มนายจ้างครับ ตาคมกริบในกระบอกลึกมองไปยังทุกคนข้าวหน้ากระด้างเย็นเฉียบเป็นมันละเลื่อมราวกะอาบไว้ด้วยไขมันวิทยุรับส่งเครื่องนี้จิงอยู่ขนฉลาดและผ่านยุทธวิธีตลอดจนงานของสายรับจารกรรมมาแล้วอย่างคุณย่อมจะไม่พอใจแน่และคอยเฝ้าจับตาพิจารณามันอยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลา เราก็อย่างเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วว่ามันหมายถึงเครื่องมือสื่อสารสำคัญที่เราจะติดต่อหน่วยเหนือของเราได้ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตาบลไหนในป่านี่ความไม่สะดวกใจของพวกคุณนี่จะพูดให้ตรงก็คือตัวคุณเองนั่นแหละย่อมมีอยู่ข้อเดียวเท่านั้นเพราะระแวงว่าเราจะหักหลังแต่ถ้าหากคุณขจัดความระแวงข้อนี้ออกไปเสียให้ได้อย่างสนิท คุณคิดไหมว่ามันจะช่วยพวกเราทุกคนได้อย่างมากมายหลายประการเช่นการส่งกําลังบํารุงซึ่งแน่ละบางขนาะเราก็ต้องขาดอะไรไปบ้างอันจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างเช่นในขณะ น, นี้พวกภัยฉุกเฉินที่จะต้องช่วยชีวิตด่วนอีกประการหนึ่งสมมุตินะว่าเราไปพบกระําแหน่งตกของเครื่องและพบระเบิดลูกนั้นคข้า เราก็จำเป็นอย่างที่สุดที่จะต้องรายงานให้เขาทราบตำแหน่งเพื่อส่งกำลังมากู้นำขึ้นไปทางอากาศมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะช่วยกันแบกระเบิดนิวเคลียร์ขนาดสิบเมกะตันเดินกลับออกมาเหมือนแบกเก่งแบกวางสักตัวหนึ่งและประการสำคัญที่สุดฟังพร้อมทั้งไต่ตรองให้ดีนะไพรวันประการสาคัญที่สุดก็คือ ถ้าวิทยุเครื่องนี้ยังสามารถใช้งานได้เราทั้งหมดหมายถึงทั้งฝ่ายผมและฝ่ายคุณจะไม่ถึงกระอับจนหรือสาบสูญไปจากโลกนี้เพราะหอควบคุมจะรู้เห็นตลอดเวลาว่าเราอยู่ที่ไหนการจะได้ระเบิดกลับคืนไปหรือไม่ยังเป็นเรื่องรองลงไปแต่ชีวิตของพวกเราทุกคนปลอดภัยแน่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 เพราะผมนะ่ะไว้วางใจคุณสนิทแล้วแต่คุณสิระพินคุณยังไม่ไว้วางใจฝ่ายผมจอมพรันส่งมือให้หัวหน้าฝ่ายอเมริกันจับบีบโดยแรงครับขอบคุณครับที่ให้ความไว้วางใจและให้ความจริงกับผมในเรื่องนี้แต่ถึงคุณไม่บอกผมก็พอจะเดาจากรูปการ เพราะพวกคุณจะไม่เสี่ยงกันโดยปราศจากหลักเกณฑ์วาระสุดท้ายจริงๆค้นพบหรือไม่พบซากเครื่องตกกูระเบิดได้สําเร็จหรือไม่พวกคุณก็ต้องได้กลับอย่างสะดวกสบายอยู่วันยังค่ําหากไม่เกิดอุปัรรควเหตุร้ายแรงอะไรขึ้นมาซะก่อนระหว่างการเดินทางแต่ผมก็ไม่เคยบอกไว้ก่อนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกพระเคราะห์ใบนี้ มันก็ไม่เป็นไปตามตรษศีหรือหลักเกณฑ์ทุกครั้งไปหรอกใช่คุณเคยบอกกระพินแล้วเราก็กำลังเผชิญอยู่นี่แล้วในหลายๆกรณีสแตลลีย์ยอมรับเสียงเครียดเครียดเอางี้ดีกว่าครับด็อกเตอร์เขาเอื้อมมือเอานิ้วไปส ก, กิดเข่าอเมริกันอวุโสหัวหน้าคณะ จ้องประสานตาไม่กระพริบเอาเป็นว่าพวกคุณอย่าเพิ่งไปสนใจกับวิทยุเครื่องนั้นก่อนเลยเราจะนำมันติดตัวพวกเราไปด้วยอาการประคับประคองเหมือนเดิมมันอาจใช้งานขึ้นมาได้เมื่อไรหรือใช้งานไม่ได้ตลอดไปแต่เราก็จะนำมันติดตัวไปเสมอไม่จำเป็นต้องทิ้งมัน เพราะลูกหาบของเรามีพอที่จะให้การประครับประคองดูแลมันได้ตลอดไปว่าแต่ว่าพวกคุณเนี่ยคิดจะเดินทางต่อไปหรือเปล่าทวิทยุเครื่องนั้นใช้ไม่ได้กระพินภายใต้การนำของคุณเนี่ยนะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะต้องถอยกลับจนกว่าจะจนปัญญาหมดความสามารถจริงๆแล้วจากคุณ และพวกเราทุกคนหัวหน้าคณะกล่าวช้าๆหนักแน่นระพินดีดนิ้วโดยแรงนี่สิผมต้องการนายจ้างหรือผู้ร่วมทางใจเด็กอย่างนี้ลนะ่ะปัญหานะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่วิทยุแต่มันอยู่ที่คนนำทางถ้าวิทยุมันสามารถบงการชี้นำพวกคุณได้พวกคุณก็คงไม่ ต้องลากโครงมาพบผมหรอกมันใช้ได้เมื่อไรเราก็ใช้เป็นประโยชน์จากมันเมื่อนั้นแต่ใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องหูดกิดอะไรกับมันไ ง, งผมก็เป็นคนนําทางอยู่แล้วไม่ใช่วิทยุเครื่องนั้นเป็นผู้นํำนี่หรือทุกคนมีความเห็นยังไงโปรดบอกให้ผมทราบด้วยครับเขามองกราดไปยังคิดอิซาเบลและคริสติน่าจนครบ ฝ่ายอเมริกันเหมือนจะอ่านใจไม่มีใครขาดหรือท้อแท้ถึงกับจะคิดกลับรอกะพินผมตอบแทนให้ได้สแตลลีพูดเบาแต่เฉียบขาดคิดขยับตัวเข้ามาใกล้ส่งมือให้จับและเขย่าโดยแรงพูดสั้นๆแต่เพียงว่า you are great คราวนี้พรานใหญ่ คำหมิงจ้องเจาะจงไปยังสองสาวโดยเฉพาะเบลยิ้มยิ้มบอกเรื่อยๆมาว่าดีเหมือนกันฉันเองเมื่อเด็กๆก็เคยฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอลิซ e in the วันเด r l a แลน์ฝันมานานแล้วขอไปด้วยคนนะหมายถึงเดินทางต่อนะ่ส่วนคริสติน่าไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แต่โยนผ้าขนหนูผืนเล็กๆสีชมพูสะอาดผืนหนึ่งมาให้เขาพร้อมกับบอกเรียบๆว่าหน้าคุณตอนนี้น่ะเหมือนหินบนหลุมฝังศพที่ใครเอาน้ำมันไปฉโลมไว้ใกล้เคียงกับไอ้พวกผีดิบมันไรเต็มทีแล้วล่ะคุณเช็ดซะผ้าผืนนั้นรับรองว่าสะอาดและไม่เอียมยังไม่เคยใช้รับยิ้มออกมานิดนึง รับผ้ามาพับเรียบร้อยใส่เป้หลังเขาไว้แล้วใช้ผ้าเขามาที่เคียนพุงอยู่เช็ดใบหน้าแรงๆคนสุดท้ายที่เขาพูดด้วยคือเชิดบุตรคุณพุดครับมาติที่ประชุมลงความเห็นเช่นนี้คือไม่มีการถอยกลับเอากับเขาด้วยแล้วกันนะครับเกิดมาชีวิตหนึ่งอย่างมากที่สุดมันก็แค่ตายละคุณ จะตายกลางพงไพรหรือตายบนฟูกมันก็ตายเหมือนกันและการพจนภัยในครั้งนี้เป็นกำไรชีวิตที่ราคาแพงที่สุดจะซื้อหาที่ไหนไม่ได้ละถ้าคุณรอดกลับไปได้คุณจะมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังไม่มีวันจบสิ้นละเชิดพุทธผัวรอ ก, ก๊าโอ้ยถึงไหนถึงกันยันปากมดลูกเลยพี่จะตายทั้งทีก็ขอให้ตายบนอก ขออย่าตกน้ําตายกันแล้วกันอายมัดฉามันครับผมอารมณ์ขนองยังมีในเด็กหนุ่มลูกชายในพลเต็มที่และอดที่จะโลดเล่นด้วยวาจาไม่ได้มันพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ยั้นอะไรเลยกราบใดก็ตามที่ยังมีระพินเป็นคนนําทางและมีแม่ผมแดงและผมทองรูปร่างยั่ว ก, กิเลศกันไปคนละแบบร่วมเดินทาง สร้างความคลึ้มอารมณ์เขาอยู่เช่นนี้และพินไม่สนใจอะไรกับความขนองปากของเชิดพุธ ท, ท้ายประโยคเขาประกาศกับทุกคนของฝ่ายนายจ้างว่าอ่ะถ้างั้นก็หมดปัญหาแปล ว, ว่าวิทยุใจะใช้ได้หรือไม่เราก็จะเดินทางสืบค้นหาตำแหน่งตกต่อไปตามแผนที่ทางอากาศที่ฝ่ายคุณทำมาให้ดูคร่าวๆนี่ ผมแน่ใจว่าเราน่าจะได้ระแคระคายอะไรบ้างแน่ๆส่วนจะกู้ระเบิดคืนไปได้หรือไม่นะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งขอสราบอีกนิดเดียวเท่านั้นครับว่าการติดต่อครั้งสุดท้ายที่ว่าพอจะรับฟังได้แต่ไม่สู้จะถนัดนักเมื่อไหร่ครับชาววานหรือหัวข้าเมื่อคืนที่แล้วคิดมองดูเครื่องวิทยุชั้นดีที่สุดในโลกถมปาก หัวค่ำที่แล้วที่คุณบอกว่าข้างบนค้นหาพิกัดแน่นอนของเราไม่ได้นะหรอคิดอืมใช่แล้วถ้ายิ่งเดินทางไกลออกไปเท่าไรและยังติดต่อวิทยุไม่ได้นานเท่าไรเราก็จะพ้นออกไปจากความรู้ของเขาเท่านั้นอันนี้อาจจะเป็นวิชาการทางเทคนิคโดยเฉพาะนะถ้าพวกคุณตอบได้ ก็ตอบถ้าเห็นว่าเป็นความลับไม่ต้องตอบก็ได้ครับรับพิมพบีบวงให้แคบเข้าไปอีกในด้านลวงความลับโดยอาศัยเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องช่วยคือผมอยากทราบระดับความรู้หน่อยว่าฝ่ายควบคุมนะมีเครื่องมือพิเศษอะไรอีกหรือเปล่าที่จะทำให้ทราบพิกัดของฝ่ายคุณที่อยู่ข้างล่างได้ ผมไม่เชื่อว่าเฉพาะเพียงแค่ติดต่อทางวิทยุบอกให้รู้กันโดยแผนที่อันประกอบด้วยเส้นและเส้นลองมันจะทําให้ข้างบนรู้ตําแหน่งแน่นอนของพวกคุณได้เลยและตลอดเวลาเขาก็เช็คทราบมาได้ทุกระยะว่าพวกคุณอยู่ที่ไหนไอ้ครั้งแล้วจูจ่ๆเขาก็บอกว่าค้นหาตําแหน่งไม่พบแล้วความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะ ในบรรดาทุกคนของฝ่ายนายจ้างอเมริกันของเขาดูเหมือนทั้งกลุ่มนั้นจะหยุดนิ่งยุติการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นประมาณหนึ่งอึดใจเวล์ well, ที่สุดหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นขณะที่ป้ายหลังแขนเช็ดหน้าผากที่เป็นริ้วรอยและขณะนั้นเองคริสตินาก็แทรกขึ้นในทันทีว่า อาจารย์คะสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรจะพูดถึงกันในขณะนี้ก็คือแผนเดินทางต่ออันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามคุเทศควรจะบอกกับเราว่าวันนี้เขาจะนำพวกเราไปทางด้านไหนทิศใ ด, ดนั่นเป็นการตัดบทเปลี่ยนเรื่องอย่างกระทันหันเวทรพินไพรวันเรียนเสียงด็อกเตอร์สแตนลีย์ ด้วยคําอุทานคาเดียวกันพร้อมกับลุกขึ้นยืนด้วยอาการปกติธรรมดาของเขาทั้งนั้นทา ง, ทาง ด, าด้านมักกุเทพร้อมแล้วครับมิสกรูบิลผมให้เวลาพวกคุณอีกสามนาทีสำหรับจัดเตรียมเคลื่อนย้ายจะไต่เรียบลงจากยอดปีกของภูเขาลูกนี้แล้วหาทางลงโดยบายหน้าขึ้นเหนือเฉียงตะวันตกยี่สิบห้าดีกรีครับผม กล่าวจบเขาขยับปีกหมวกให้กับทุกคนแล้วพระเดินไปบงการกับพวกลูกหากและพรานของเขาซึ่งกำลังเข้าประจำที่เตรียมแบกหามเคลื่อนย้ายอาการราบเรียบปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเก็บความรู้สึกทุกอย่างไว้อย่างมิชิดพอร่างของจอมพรานพลักห่างออกไปฝ่ายมริกันทุกคน หันมามองหน้ากันเองอีกครั้งรวมทั้งเชิดบุตรโดยเฉพาะนายพันตรีแห่งกองทัพ บ, บกไทยสีหน้าตึงเครียดจ้องคริสติน่าขมิ่งสายสายตาของเขาแสดงความไม่สบอารมณ์ชัดแต่ก็ไม่ได้ปิปากพูดคำใดเลยเช่นกันคริสติน่านั้นหันไปเหวี่ยงเป้หลังขึ้นไหลปกติธรรมดาเบลมองตามหลังระพินไปพร้อมกักดกัดริมฝีปากเบา ลักษณะของแม่ผมแดงไม่สู้จะปลอดโปร่งสบายใจยังไงบอกไม่ถูกส่วนคีตกับสแตนลีนั่งอึ้งอยู่เขาจะไม่พอใจหรือเปล่านี่ที่ไม่ได้รับคำตอบจากเราหัวหน้าคณะเปรยขึ้นเบาๆอุบอิบรู้สึกไม่สบายใจเช่นกันแต่คริสติน่ากลับบอกด้วยสีหน้าอาการปกติมาว่า ควรจะรู้หน้าที่ของเขาได้ดีนะว่าอยู่ในขอบขายยังไงแค่ไหนรีบกันเถอะค่ะอาจารย์นายคนนั้นให้เวลาเราแค่สามนาทีเท่านั้นและถ้าทายไม่ผิดเขาจะไม่ย้อนกลับมาที่นี่อีกแต่จะส่งสัญญาณให้เราเดินตามพวกเขาลงไปทันทีถ้าพวกลูกหาพร้อมอ่าคิดเก็บวิทยุ ข, ของเราเครื่องนั้นได้แล้วเดี๋ยวฉันจะเรียกอูทาและพระโต้ ให้เข้ามาทำหน้าที่แบกหามไปบรรจุลงหีบห่อให้มั่นคงปลอดภัยที่สุดแต่ระหว่างทางฉันจะคอยระวังการเคลื่อนย้ายนำพาของวิทยุเครื่องนั้นโดยคุมสองคนนั่นไว้เองดรครับเชิดพุดกล่าวขึ้นด้วยเสียงห้าวลึกจริงจังผมชักสง ส, ยสะะัยซะแล้วว่าใครเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางครั้งนี้กันแน่คุณ หรื่าคริสติน่าทำไมคริสติน่าหันขับมาถามด้วยเสียงห้วนกระด้างพอกันขณะนี้ดูหล่อนแข็งกระด้างยิ่งนักนายทหารหนุ่มไม่ตอบอะไรลุกขึ้นโดยเร็วกล่าวว่าอ่ะสำหรับผมนะ่ะพร้อมแล้วพวกคุณก็จัดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันอ่ะแล้วนะ่ะคุณจะไปไหนอ่ะบ แม่ผมทองร้องถามมาทันไทยเมื่อเห็นเชิดวุฒิก้าวออกเดินจะตรงไปยังระพินซึ่งกําลังสั่งงานอยู่ในกลุ่มคนของเขาผมมาด้วยในครั้งนี้ผมก็มีหน้าที่ของผมโดยเฉพาะเหมือนกันเชิดวุฒ์ตอบเสียงก้าวตาที่มองประสานหล่อนเป็นประกายวาวจ้าและหน้าที่ของผมก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานเป็นกันชนเป็นตัวเชื่อมกลาง ระหว่างคณะพรา น, นำทางกับฝ่ายพวกคุณทุกคนเพราะฉะนั้นคุณก็อย่ามายุ่งอะไรกับหน้าที่ของผมจบคำพูดแค่นั้นเชิดบุษสะบัดหน้าเดินดุมดุ ม, ดมตรงเข้าไปที่รพินทันทีขณะนั้นจอมการกำลังดุงคลี่แผนที่ออกดูเป็นครั้งสุดท้ายเหนืหน้าขึ้นสังเกตดวงตะวัน แล้วพับแผนที่นั้นเข้ากระเป๋าเสือ้อพอหันกลับมาก็เห็นเชิดบุตรมายืนอยู่ใกล้ๆแล้ ว, ลวด้วยสีหน้าเครียดๆพี่นายทหารหนุ่มรุ่นน้องเ อ, อ่ยขึ้นเสียงแผ่วต่ำใบหน้าตึงรบพินเลิกคิ้วยิ้มให้นิดนึงมีอาการเหมือนจะถามเชิดบุตรก็กล่าวต่อมาในทันทีว่ามผมเพิ่งจะมาแน่ใจรู้ชัดเดี๋ยวนี้เองพี่ ก็คนที่มันน่ากลัวอันตรายที่สุดและไม่น่าไว้วางใจเลยแท้จริงไม่จะคิดไม่ใช่สแตนลีหรือเบลหากจะเป็นนางรูปสวยใจเหี้ยมคนนั้นที่พี่เตือนผมไว้แล้วแหละมีอะไรผิดสักอย่างสุภาพบุรุษไพร ย, ยิ้มกว้างออกไปหยิบกระสุนไรเฟิลในกล่องที่ถือเตรียมอยู่ก่อนแล้วเสียเพิ่มเติมเข้าไปในรังกระสุน ที่เย็บติดไว้บนอกเสื้อสองข้างทดแทนที่ขาดหายไปคุณบุษผมพิจารณาแต่เพียงว่าหล่อนเป็นคนเด็ดขาดมั่นคงซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แล้วก็ใจเด็ดกว่าทุกคนในคณะที่มาด้วยกันผู้หญิงอย่างนี้หาได้ยากที่สุดนะคุณบุษเนือ้อเนื้อของเขาคัดตัวมาได้อย่างไม่ผิด และผมก็ยอมรับนับถือว่าหล่อนนั้นแน่จริงนี่พี่บอกตรงๆนะผมออกจะเกลียดหล่อนใช่แล้วละ่ะจอมพรานสั่นศีศษะ์คุณบูธจริงๆคุณไม่ได้เกลียดเขาหรอกแต่คุณเพียงแค่โกรธเท่านั้นที่หล่อนไม่ยอมไม่หัวหน้างานของหล่อนหรือพรรคพวกทุกคนเปิดเผยความลับปกปิดของฝ่ายพวกเขาออกไป ผมรู้นะพี่ว่าความจริงพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนักกในเรื่องนั้นพี่ก็เพียงแค่ย่างเสียงลลงใจทดสอบคนพวกนั้นดูเท่านั้นได้มีตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดก็เปิดเผยตัวเองออกมาพี่ทราบแน่ชัดผมเห็นนะขนาดสแตนลีย์ก็กำลังขยับปากจะบอกอะไรกับพี่อยู่แล้วแต่นางนั่นน่ะสกัดหน้าซะก่อนหล่อนโง่ว่าพี่ความจริงเรื่องที่พี่ถามน่ะ มันเป็นเรื่องเทคนิคชั้นสูงพวกนั้นจะบอกให้เราควายเควยหรือโกหกปิดบังยังไงก็ยอมได้พี่ไม่มีวันรู้หรอกแต่หล่อนก็ใจร้อนตกใจกลัวหัวหน้างานของหล่อนจะเผอบอกความจริงที่พี่ถามออกมาเลยชิงตัดบทซะก่อนนี่คุณบุตรคนเรามันก็ต้องลองกันอย่างนี้แหละครับไม่งั้นเราจะแยกถูกได้ยังไงว่าใครเป็นยังไง แต่ผมนั้ไม่ถือสาหรือเก็ดมาคิดอะไรทั้งสิ้นน่ะที่แกล้งถามออกไปก็เพื่อจะดูว่าใครจะมีปฏิกิริยาเช่นไรเท่านั้นในหมู่พวกเขานี่ก็เป็นการพิสูจน์ได้คุณเห็นชัดแล้วว่าผู้หญิงคนที่คุณหลงไหลคิดจะผูกพันสเสน่หาด้วยจนแทบจะทุ่มเทหมดทั้งชีวิตจิตใจอ่ะ่อนเป็นสตรีที่ใจเด็กปากแข็งและก็เฉียบขาดที่สุด ต่อไปอะสำหรับตัวคุณเองจะได้ใช้ความระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้สำหรับผมไม่เป็นไรหรอกคุณเพราะมันทันเกมแล้วก็ไม่ได้วันวหวอะไรทั้งสิ้นถือเป็นเรื่องไร้สาระอ่ะอย่าเพิ่งพูดอะไรนะครับกำลังเดินมาแล้วนะ่ะเชิดพุธรชำเลืองกลับก็เห็นคริสติน่าในชุดที่พร้อมจะออกเดินทางได้มือถือเอ6มสิบหกแบบคอมมานโดประจาตัวเดินตรงเข้ามาอย่างรวดเร็ว ยังที่ซึ่งเขายืนพูดกันอยู่กระจอมพรานขัดข้องไหมคุณถ้าฉันจะขอเปลี่ยนคู่หาบเฉพาะวิทยุเครื่องนั้นโดยกำหนดให้กะเหรี่ยงสองคนอันเป็นลูกหาบใหม่ของเราทำหน้าที่แบกหามแทนลูกหาบเก่าของคุณหล่อนพูดเป็นงานเป็นการได้ครับไม่ขัดข้องหล้วครับระพินตอบสั้นๆเรียบเรีย และตะโกนเป็นภาษากระเหียงไปยังทั้งสองซึ่งกำลังสาละวนอยู่กับหีบห่อสัมภาระอื่นจะสองคนที่ยอมเสี่ยงชีวิตมาด้วยพยักหน้างึกอย่างเข้าใจและผะตรงตัวตรงไปยังวิทยุเครื่องนั้นซึ่งคิดจัดการลงหีบหอ่อกันสะเทือนเรียบร้อยแล้วในทันทีโดยว่าง่ายเชิดวุฒมองหน้าหลอนอีกครั้งด้วยสายตาที่ผิดแปลกไปกว่าเคยแต่ลอนไม่ได้สนใจ คงมองจ้องไปทางระพินด้วยดวงตาเหมือนบ่อน้ำที่มองอย่างไม่ถึงก้นไม่รู้ขอบเขตความลึกของมันว่ามีอยู่แค่ไหนเอ่ยว่าคุณยังไม่ได้กินอาหารในส่วนที่เราแบ่งให้เลยนะกำลังจะออกเดินทางอยู่เดี๋ยวนี้แล้วเนี่ยคริสครับชีวิตในชีวิตพรานป่าอย่างผมแล้วก็พรานป่าทุกคน ไม่มีตารางเวลาแน่นอนหรอกครับว่าจะต้องกินอาหารเวลาไหนส่วนมากขิวเมื่อไหร่เราก็กินเมื่อนั้นหรือถ้าไม่มีเราก็ไม่กินคุณก็น่าจะรู้มานานแล้วนี่ว่าแต่พวกคุณอะพร้อมยังฉันไม่แคร์หรอกนะว่าคุณจะโกรธหรือจะไม่พอใจผมก็ไม่ได้โกรธหรือไม่พอใจอะไรคุณนี่ระพินขมวดคิ้ว เสียงห้วนเฉียบขึ้นเชิดวุดเชิดวุฒมาพูดอะไรกับคุณเด็กหนุ่มน่าสงสารคนนั้นน่ะเลยพรานใหญ่ว่าพร้อมกำลงไปทางเชิดวุฒิผู้ยืนหน้าเครียดอยู่เขาก็มีปัญหาที่จะพูดอยู่กับผมด้วยประโยคนซ้ำๆ้ซักๆากอยู่น่ะเมื่อไรก็เมื่อนั้นคือเขารักคุณรักเป็นชีวิตจิตใจและคุณอ่ะ มีไมตรีจิตในด้านนี้สนองตอบเขาบ้างไหมเราอย่ามาปะทักกันด้วยคารมเลยระพินฉันรู้ว่าฉันน่ะสู้คุณไม่ได้หรอกคารมคุณน่ะมันตั้งเชื่อตั้งเฉือนเลี้ยวรถหลายชั้นหลายเชิงนะฉันอาจพลาดอะไรบางอย่างในเช้าวันนี้เพราะตามคุณไม่ทันอาจารย์คิดแล้วก็เบ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 ก็ได้เชิญตามสบายสุภาพบุรุษไพรชุก ป, ปากปเบาเอาหลังมือขยี้ปลายจมูกคริสนี่คุณจะมาหาเรื่องหรือตีลูกรวนอะไรกับผมเช้าวันนี้คุณก็เห็นแล้วนี่ว่าผมเป็นคนยังไงผมเคยทรยศ ต, ต่อหน้าที่ของผมยังงั้นน่ะและผมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไม่พอใจคุณ น, นี่ แล้วคุณบังอาจยังไงถึงจะมาล่วงความความลับของพวกเราหล่อนถามตรงๆน้ำเสียงห้วนกระด้างหะนี่ตบอบซะเชิดบุตรสุดที่จะสะกดกลั้นอยู่ได้ต่อไปคำรามออกมาพร้อมทั้งงางมือขึ้นและพินคว้าข้อมือของนายทาหารหนุ่มไว้ในพริบตาก่อนที่เขาจะหวดฝ่ามือลงไป กระชากนายทหารรุ่นน้องพังงะเซออกมาแล้วก้าวเข้าไปขวางหน้าไว้อยา่าคุณพุทธเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรกันคุณปล่อยเขาถ้าเขาอยากจะทําอะไรฉันก็ปล่อยเขาเข้ามาคริสติน่ายืดอกตระงานขึ้นรอยยิ้มหยันหยันปรากฏขึ้นบนริมฝีปากบางได้รูปงามเชิดบุตรฮึดฮัดฮึดฮัด สะบทหึมในลำคอจะปราดข้ามาอีกแต่รับคุณก็เอามือยันอกวะหันมาทางคริสตินานี่คุณคุณกลับไปไปก่อนดีกว่าเชิญ ว, วุฒิกำลังหุดหงิดเต็มทีสำหรับผมเมื่อคุณสบายใจได้ไม่มีอะไรหรอกผมไม่อยากให้พวกคุณที่มาด้วยกันต้องมาทะเลาะกันเองถามก็ดูสิราบพิน ว่าเขาหุดหงิดเรื่องอะไรมันไสเว้ยมันไสเต็มทีแล้วเชิดบุตรร้องตะโกนออกมาพยายามจะเข้าถึงตัวคริสติน่าให้ได้แต่ติดระพินที่ยืนขวางอยู่การวิวาดเป็นปากเสียงระหว่างคริสกับเชิดบุตรซึ่งมีรพินกั้นกลางอยู่มองเห็นไปยังฝ่ายอเมริกันทุกคนซึ่งรวมกลุ่มห่างออกไปราวสิบสี่สิบห้าเมตร กำลังจ้องมองอยู่ขณะนั้นเองเสียงของด็อเตอร์สแตลลีก็ดังถามมาเฮ้ hey! ราพินเกิดอะไรขึ้นเปล่าครับเปล่าไม่มีอะไรด็อเตอร์ราพินผมเป็นคนสั่งให้คริสเข้าไปปรับความเข้าใจกับคุณนะนะแต่ยังไงแล้วคุณก็ไล่เชืิอวุฒนกลับมานี่ก่อนในนั่นนะเลือดร้อน แล้วเขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังใครหรอกนอกจากคุณคนเดียวอะ่ะคริสมีเรื่องจะพูด ก, กับคุณเป็นส่วนตัวในฐานะตัวแทนทางฝ่ายเราพรานใหญ่ครานจะตะโกนโต้อตอบอะไรกับหัวหน้าคณะหันไปพยักหน้ากับเชิดวุฒินี่คุณวุฒิกลับไปรวมกลุ่มกับพวกเขาสักก่อนแล้วกันรับรองทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองเชื่อผมอะ่ะ เชิดวุฒจ้องหน้าคริสติน่าอีกแวบนี่เห็นหล่อนเลิกคิ้วข้างหนึ่งขึ้น น, น้อยๆขณะมองตอบแล้วเขาก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของระพิงอย่างว่าง่ายเดินจากไปทิ้งให้ทั้งสองยืนกันอยู่ตามลำพังเอาล่ะมีอะไรเหรอมิสกรูเบียนฮึเมื่อคุณไม่ชอบขี้หน้าฉันเมื่อไหร คุณจะเรียกฉันเป็นทางการอย่างนี้ทุกทีนะเป็นสัญญาณรู้กันได้มีอะไรเหรอคริสเมื่อคืนนี้มีความสุขดีไหมกระเบลหล่อนก็เปลี่ยนไปซะอีกเรื่องนะึงจอมพรานเกาต้นค อ, อกรากอดหัวรอเราะออกมาไม่ได้ในที่สุดผู้หญิงก็คือผู้หญิงอะ ไร้สาระคุณคุณรู้ดีอยู่แล้วนี่มันสันดานผมเป็นไงไม่น่าจะต้องมาถามอะไรทำนองนี้มันเสียเวลาเลยวิทยุรับส่งเครื่องนั้นน่ะคริสติน่าหรือไลล่าบุยปากไปทางด้านพักพวกเบื้องหลังนอกจากจะเป็นเครื่องรับส่งติดต่อโดยปกติแล้วตัวของมันเองยังมีแร่พิเศษอยู่ตัวเนึ่งติดตั้งไว้สื่อสัญญาณ เพื่อให้ระบบเรดาร์จากสถานีควบคุมอันเป็นดาวเทียมตรวจรู้พิกัดแน่นอนของพวกเราทั้งหมดว่าขณะนี้อยู่ยังตำแหน่งไหนกราบใดที่เรายังนำวิทยุนาติดตัวไปด้วยนี่จึงเป็นคำตอบในข้อที่ว่าเหตุใดหอควบคุมจึงสามารถรู้ตำแหน่งที่อยู่ของเราอย่างแม่นยำไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังที่ใดแต่ก็เป็นที่น่าประหลาดว่าเมื่อหัวค่าวันนี้ เครื่องรับยังติดต่อกันได้แม้จะฟังไม่ถนับนักแต่เขารายงานลงมาให้เราทราบว่าจุดที่ปรากฏอยู่บนจอรเรดาร์ของฝ่ายเราที่เขารู้เห็นมาตลอดบัดนี้มันหายลับไปจากจอใชแล้วตรวจเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่พบจึงเกิดการวุ่นวายลำบากใจกันขึ้นรบินยักไหล่นิดหนึ่งอ้อนี่คือคาถาม ที่เพิ่งจะมาได้รับคำตอบเดี๋ยวนี้แต่ทำไมคุณถึงเอาความลับสุดยอดในเครื่องมือเครื่องใช้ของคุณมาเปิดเผยกับผมนะในเมื่อหยกหยกตะกี้นี้คุณก็พยายามที่จะปกปิดนี่คริสติน่ายักไหลยิ้มแค่นทุกคนเกรงใจคุณนอกจากฉันเพราะฉะนั้นโดยหวังไว้จากอาจารย์และพวกเราพวกนั้นว่า มันอาจทำให้คุณมีความรู้สึกสบายใจขึ้นทุกคนจึงขอร้องแกมบังคับให้ฉันเอาเรื่องนี้มาบอกคุณทั้งๆ ท, ที่ฉันก็ต้องจำใจมาบอกคุณระพินหัวร้อหึหึในลำคอความจริงมันก็ไม่ได้จาเป็นอะไรอ่ะนะก่อนถามซึ่งก็เกิดขึ้นจากเจตนาดีไม่ได้เจตนาจะล่วงความรับอะไรผมก็ได้บอกพวกคุณไว้ก่อนแล้วนี่ว่าจะตอบก็ได้ หรืไม่ตอบก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสำหรับผมหรอกหนึ่งจากทางฝ่ายผมไม่ได้มีแผนการอะไรกับพวกคุณมีก็แต่จะช่วยเหลือในทุกด้านเกี่ยวกับ ง, งานนี้ประการเดียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคุณที่ความเข้มแข็งเฉียบขาดของคุณต้องพ่ายแพย้ต่อเสียงข้างมากของฝ่ายคุณเองอุตส่าห์นำเรื่องนี้มาบอกผมโดยที่คุณก็ไม่ได้เต็มใจเลยถูกต้อง ฉันไม่เต็มใจจะบอกความลับในอุปกรณ์ของเราให้คุณรู้เลยแต่ถูกบังคับให้มาบอกโดยปกติแล้วกฎของพวกเราที่ทํางานในด้านความลับสําคัญของประเทศก็คือยอมตายดีกว่าจะให้ความลับเปิดเผยออกไปแต่ในที่สุดเหตุการณ์มันก็บีบบังคับให้พวกเราต้องยอมจำนนต่อคุณ คุณเป็นคนพูดตรงได้อย่างกล้าหาญมากนะคริสผมขอชมเชยจากใจจริงเราต่างคนต่างมีหน้าที่นะระพินคุณมีหน้าที่ของคุณแล้วคุณก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่นั่นคือเกียรติยศฉันก็มีหน้าที่ของฉันที่จะต้องซื่อสัตย์และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนกันระพินก้มศีรษะลงนิดนึ่ง นั้นผมเข้าใจครับระพินการติดต่อวิทยุได้หรือไม่ได้ยังเป็นรองลงไปแต่การที่พวกเราหายไปจากจอเรดาร์ของเบื้องบนที่ควบคุมอยู่เป็นความหนักใจของพวกเรามากเท่าๆกันที่หน่วยเหนือของเราก็คงจะวิตกมากเช่นกันเพราะมันหมายถึงอะไรไม่ต้องอธิบายคุณก็คงรู้ ใช่ไหมระพินก้มหัวอีกครั้งโดยไม่ตอบอะไรคริสติน่ากล่าวเนิบๆต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่คุณเก็บความสงสัยมานานแล้วก็คงอยากจะรู้ให้ชัดก็คือหอควบคุมของเรานะเป็นอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนคุณไม่จำเป็นต้องบอกผมหรอกคริสไม่จำเป็น ไหนๆก็บอกแล้วก็จะขอบอกให้หมดซะเลยเพราะมีคำสั่งมาจากอาจารย์อันเป็นหัวหน้าใหญ่ของฉันแล้วให้บอกคุณให้หมดหอควบคุมของเราน่ไม่ใช่เครื่องบินจารกรรมเพดานบินสูงแบบไหนหรอกหากจะเป็นดาวเทียมซึ่งเป็นสถานีอากาศโดยตรงของเรามีพนักงานประจำอยู่บนนั่นด้วยไอ้ส่วนจะมีกี่คนนะเราไม่รู้วิทยุติด ต, ต่อก็ดี สัญญาณตรวจสอบได้จากจอเดรด้าก็ดีจะไปปรากฏยังสถานีอวกาศหรือดาวเทียมดวงนั้นและจะรายงานข้อมูลที่ได้รับจากเราเข้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษในเรื่องนี้ภายในธทมเนียบขาวโดยตรงถ้าหากจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะการณีใดๆก็ตามที่จำเป็นคำสั่งด่วนจะไปยังกองเรือที่เจ็ดหรือกองเรือรบลาดระเวน ตำแหน่งอันใกล้กับจุดหมายที่สุดเครื่องบินปีกหมุนขนาดยักษ์หรือเครื่องไอพ่นใช้เส้นทางขึ้นลงในแนวดิ่งได้แบบจานบินจะถูกส่งมายังตำแหน่งที่เราอยู่ทันทีคุณพอจะรู้สมรรถภาพของเครื่องบินพิเศษของเราไม่ใช่เหรอว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่สมรรถภาพสูงเพียงใดไม่ว่าป่าเขากันดานเพียงไหนมันสามารถลงมากู้ภัยได้ทั้งสิ้น รวมทั้งกู้ระเบิดขึ้นไปได้ด้วยสมมติว่าเราค้นพบพวกเรามีความอบอุ่นใจในด้านการสนับสนุนประสานงานช่วยเหลือถึงเพียงนี้จึงกล้าให้คุณเดินนำมาในป่าแต่เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังจะไม่รู้แล้วว่าเราอยู่ที่ไหนแน่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับวิทยุรับส่งเครื่องนั้นเพียงเครื่องเดียว ทุกสิ่งทุกอย่างกระจางแจ้งออกไปอย่างเด่นชัดที่สุดแล้วจากคำพูดของคริสติน่าสัญชาตญาณบางอย่างบอกเขาได้ทันทีวันนั่นคือเรื่องจริงที่สอดคล้องกับเหตุผลที่สุดโดยที่หล่อนไม่ได้พูดโกหกหรือบิดเบือนให้เป็นอย่างอื่นเพราะความสงสัยของเขาก็อยู่ในทำนองนี้อยู่แล้วเพียงแต่ไม่รู้ในรายละเอียดเท่านั้น ก็เป็นเรื่องประดับความรู้ผมเท่านั้นแหละว่าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าในทางการทหารและทางจารกรรมของพวกคุณมีเครื่องมือที่เยี่ยมยอดเพียงไหนแต่บังเอิญว่าผมก็ไม่ได้เป็นสายลับของกินแดงโซเวียตหรือประเทศที่จะเป็นอันตรายใดๆต่อประเทศของคุณได้มันจึงได้ผ่านเข้าหูควายออกหูหมาไปอย่างชนิดจะไม่หวนกลับมาเป็นพิษภัยใดๆกับประเทศชาติของคุณหรอ ผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าฝ่ายคุณจะเกิดความกังวลร้อนตัวจนถึงก็จะต้องมาบอกความจริงอันเป็นความลับทางราชการของคุณให้ผมรู้ละเอียดถึงเพียงนี้ย้มอีกครั้งครับว่าที่ถามก็เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไขไม่ได้ถามพระเสือกสอดจะไปรู้ความลับอะไรของพวกคุณหรอกคริสตินายกมือขึ้นกอดอกเอียงค อ, อนิดนิด มองประสานตาเาัาอ่ะทีน่นี้คุณหมดข้อข้องใจยังระพินพยักหน้าเมื่อถามก็บอกว่าหมดครับแต่ความจริงก็ไม่ได้ข้องใจอะไรสักนิดนี่คุณจะบอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ผมก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้พวกคุณอยู่อย่างนี้แหละจนกว่าจะเป็นไฟ ถูกบอกเลิกเองหรือว่างานสำเร็จแต่นี่คริสผมจะบอกอะไรให้นะคุณน่ะเข่าไปหน่อยนะเข่าเหรอเข่าในข้อไหนก็ที่คุณมีคำสั่งให้เปลี่ยนคู่หาวิทยุเครื่องนั้นจากคนของฝ่ายผมกลายเป็นอูทัพโตใช่นหสิ คุณคงคิดสิว่าคนของผมนะ่ะไม่น่าไว้วางใจแล้วอาจจะแกล้งให้วิทยุ ข, ของคุณพังพินาศไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่สำหรับอูทาพัตโต้คู่นั้นน่ะพวกคุณเคยช่วยชีวิตเอิงพวกเขาไว้ก็คงจะเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งคุณได้มากกว่าฝ่ายผมแต่ความจริงอะมันยิ่งเลวร้ายหนักลงไปอีกในการที่ไปฝากเครื่องมือสาคัญ ให้อยู่ในความดูแลของกระเรียงสองคนนั้นทำไมก็มีเหตุผลอยู่สามประการนะคุณประการแรกทั้งสองคนนะ่ะซื่อสัตย์สุจริตก็จริงแต่เป็นคนดุงโ ง, โง่้งข้อสองในด้านการพันจนภัยหรือระวังรักษาของที่แบกหาม ชำนานเท่าคนของผมไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายทั้งสองคนพูดได้แต่กระเรียงส่วนพวกคุณไม่มีใครพูดกระเรียงได้เลยจะติดต่อสั่งความอะไรกับเขาก็ต้องผ่านล่ามคือผมหรือคนฝ่ายผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นคิดดูแล้วกันจะเป็นผลดีหรือผลเสียในการมอบเครื่องมือสำคัญไ้เขาสองคนแบกหามประครับประคองแทน คริสติน่าคอแข็งกระดกปลายลิ้นสีชมพูออกมาเกลี่ยริมฝีปากแล้วพึมพำออกมาจริงสินะในป่าแล้วฉันและพวกเราทุกคนโง่กว่าคุณเสมอมีอะไรที่คุณนึกยิ้มยอดอยู่ได้ตลอดเวลาก็ไม่เสมอไปหรอกคริสบางอย่างคุณก็ลึกล้ำจนผมตามไม่ทันเหมือนกันอะหวังว่าคงจะหมดเรื่องเลยนะ